สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธยาพิบานนะครับในเช้าวันจันทร์นี้เรากลับมาสู่บทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตในวันนี้มาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่19บข้อหถึงข้อที่7โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าสุภาษิตสิ 19, 1เกถึง7คนยากจนผู้ดําเนินในความสัตย์ซื่อของเขา ดีกว่าคนตลบตะแลงซึ่งเป็นคนโง่คนที่ไม่มีความรู้ก็ไม่ดีและบุคคลที่เร่งเท้าหนักก็มักพลาดผิดเมื่อความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขาใจของเขาก็เกลี้ยกราดต่อพระเจ้าซับสลิงคารเพิ่มเพื่อนเป็นอันมากแต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนของเขาร้างไป พยานเท็จจะไม่ได้รับโทษก็หามิได้และบุคคลผู้เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้นคนเป็นอันมากเอาอกเอาใจคนใจกว้างและทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนันพวกพี่น้องของคนยากจนก็ยังเกลียดเขามิตรของเขาจะยิ่งไกลจากเขาสักเท่าใดเขาพยายามพูด แต่ไม่มีใครยอมฟังพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระกัมพีพระธรรมสุภาษิตนั้นให้เราเรียนรู้ถึงสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของคนที่ยากจนแต่ซื่อสัตย์ครับคนที่ยากจนแต่ซื่อสัตย์นั้นเขาไม่ได้เป็นเรียกว่ายากจนหรือเกิดความยากจนเพราะโง่หรือเป็นคนที่ไม่ดี เพราะฮอมพีได้เน้นว่าคนยากจนที่ซื่อสัตว์แสดงว่าคนยากจนนี้เขาซื่อสัตว์เขาดีครับแต่ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นคนยากจนในสังคมอธรรมนะครับเขาไม่ได้ใช้ความต่อรบตะแลงเพื่อที่จะได้มาซึ่งความล่ํารวยได้มาซึ่งความสําเร็จคนพวกนี้ครับเป็นคนที่น่านับถือเพราะว่าเขาจะ เป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อเป็นพื้นฐานและด้วยเหตุ น, นี้เองหลายหลายครั้งพวกเราไม่อยากเป็นคนยากจนที่สัตย์ซื่อทุกคนอยากจะเป็นคนร่ำรวยแม้ว่าอาจจะบางครั้งไม่สัตย์ซื่อก็ตามอันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการล่อลวงครับใครก็ตามนะครับที่หลายหลายครั้งทีเดียวเรา จะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่เราจะเป็นคนที่ร่ำรวยทำให้คริสเตียนหลายๆคนนั้นก็ออกห่างจากความเชื่อที่แท้จริงเราจะต้องยกย่องให้เกียรติคนยากจนที่ดําเนินอยู่ในความซื่อสัตย์ในขณะเดียวกันครับเราต้องอย่าสนับสนุนคนรวย ที่ได้ทรัพย์สินเงินทองมาเพราะความตดกตะแลงและไรซึ่งความชอบธรรมพี่น้องครับคนที่มีความปรารถนาดีคนที่มีความตั้งใจดีคนที่มีความกระตือรือร้นสิ่งที่สําคัญต่อไปก็คือว่าต้องแสวงหาความรู้ครับหากไม่มีความรู้ความกระตือรือร้นความใจร้อนความปรารถนาดีนั้นก็ไม่มีประโยชน์และทําให้เกิดความผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหายกับงานที่เขาทําอยู่ดังนั้นเองคนใจร้อนพระคัมภีร์เปรียบเสมือนเป็นคนที่มีไฟอยู่ในตัวที่เรียกว่าความกระตือรือร้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า e n t h u s i a s t ซึ่งเป็นแปลว่าเป็นคนที่มีไฟอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นหากเรามีไฟอยู่ในตัวซึ่งเป็นไฟที่ดีที่เป็นความกระตือรือร้น และแรงบันดาลใจและความปรารถนาที่ดีจะต้องหาความรู้หาโน้ตหาวควบคู่ไปด้วยทำไมเช่นนั้นเราจะพลาดครับและตกอยู่ในความลำบากพังกัมพี บ, บอกว่าคนใจร้อนมักเร่งเท้าหนักก็จะผิดพลาดจะทำอะไรต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานครับเพราะว่าที่นี่บอกว่าความอดทนหรือเพ i เชนนะครับ w e l l get you good but impatient will get you in trouble impatient will get you in trouble เพราะฉะนั้นเราต้องจำให้ดีนะครับการไร้ซึ่งความอดทนหรือความอดทนน้อยเนี่ยทำให้ชีวิตพลาดผิดและทำให้เกิดความลำบากเพราะฉะนั้นทำอะไรจะประสบความสำเร็จได้จำต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานชีวิตครับ จะทำอะไรจำเป็นต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานชีวิตจึงจะประสบความสาเร็จข้อต่อไปนะครับข้อ 3. เมื่อความโง่ของคนใดนำความพินาศมาถึงเขาใจของเขาก็เกลี้ยกล่อดต่อพระเจ้าพี่น้องครับความโง่เขานั้นบ่อนทำลายชีวิตก็พลิกผันทางที่ถูกในชีวิตของเขาได้ความโง่เขานั้นคว่มแผนงานความคิดและเป้าหมายชีวิตได้ เพราะฉะนั้นคนโง่ต้องรับผิดชอบเองนะครับอย่าไปโทษว่ามาจากพระเจ้าคนโง่ต้องรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นและไม่ควรโทษว่าเป็นน้มัตไทยของพระเจ้าแต่คนโง่มักจะทําเช่นนั้นเขาหารู้ไม่ว่าเขาไม่มีความรู้เขาหารู้ไม่ว่าเขาไม่มีความคิดอ่านไม่มีการวางแผนหลายหลายครั้งทีเดียวเมื่อไม่มีการวางแผนก็ ผิดพลาดครับอย่าเมื่อผิดพลาดขึ้นก็โทษโทษเพื่อนโทษคนอื่นโทษสถานการณ์โทษสิ่งแวดล้อมและท้ายสุด <c oughs> โทษพระเจ้าถือว่าเป็นการล่วงเกินพระเจ้านะครับและนี่เป็นความบาปครับต่อไปเราจะดูข้อสี่ถึงข้อ6หกพั์สลิงคานเพิ่มเพื่อนเปน็นอันมากความคนยากจนก็ถูกเพื่อนเขาร้างไป พยานเทศจะไม่รับโทษก็หาไม่ได้บุคคลที่เปล่งคำมุสาจะหนีไม่พ้นคนเป็นนั้นมากเอาเอาอกเอาใจคนใจกว้างทุกคนก็เป็นมิตรกับคนที่ให้ของกำนันข้อ4ี่ถึงข้อ6ที่ผมอ่านไป <c oughs> ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับพูดถึงมิตรภาพที่ไม่เที่ยงแท้เป็นมิตรภาพเทียมเทศครับที่เกิดจากสประการนี้คือ 1. ทรัพย์สิงคาหรือเงินทอง ใคก็ตามที่วางมิตรภาพของตัวเองบนทรัพย์สิงคานหรือเงินทองก็จะไม่ยั่งยืน 2. เกิดจากคําพูดที่ไม่เป็นความจริงหมายถึงว่าเป็นการยกย่องที่เทียมเท็จเอาอกเอาใจที่เกินความจริงคําชมเชยที่ e x a g g e r a t e คําอวยในสมัยนี้วัยรุ่นใช้ว่าอวยอวยกันไปกับอวยกันมาทิ้ ง, งต่างๆเหล่านี้ครับ คือการเป็นพยานเท็จและคำมุสาที่ปรากฏอยู่ในข้อที่5าพยานเท็จนั้นจะไม่ได้รับโทษก็หาไม่ได้และบุคคลที่เปล่งคำมุสาก็จะหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นมิรภาพเทียมเทเ็จเกิดจากคำพูดที่ไม่เป็นความจริงคนแวดล้อมที่ต้องการบางสิ่งบางอย่างจากชีวิตของเราก็มักจะพูดชมเชยเราพูดอวยเราพูด บางสิ่งบางอย่างที่เกินความจริง e x a g g e r a t e อทำให้เราเคลือบเคลิ่มหลงไหลและนึกว่านี่คือความจริงใจที่เกิดขึ้นซึ่งต้องระวังครับนั่นเป็นที่มาของมิรภาพเทียมเท็จและประการที่3ครับเกิดจากผลประโยชน์ที่คาดหวังต่อกันในข้อที่6ครับคนเป็นนั้นมากเอาอกเอาใจคนใจกว้างถามว่าทำไมครับเพราะอยากได้ของของเขา ทุกคนก็เป็นมิตรกับคนเท่ของกำนันเพราะอยากจะได้ครับอยากจะรับผลประโยชน์อยากจะมีอะไรบางเสียงืองอย่างที่งอกเงยจากมิตรภาพที่เทียมเท็จนี้พี่น้องครับเราหันกลับมาดูในข้อที่7คนยากจนไม่มีใครครบครับไม่มีใครต้อนรับแม้แต่ญาติพี่น้องของเขาก็หายไปเพื่อนฝู ง, งเขาก็ร้างไปหายไป คำพูดของเขาก็ไม่มีน้ำหนักเพราะไม่มีใครฟังเห็นไหมครับว่าโลกนี้จะคบกันต้องมีทรัพย์สิงคานเงินทองโลกนี้จะคบกันต้องมีคำพูดที่เกินความจริงเป็นคำพูดที่เทียมเท็จยกย่องกันไปยกย่องกันมาให้เกียรติที่ไม่เป็นความจริงและโลกเราจะคบกันก็เพราะว่า ต้องมีผลประโยชน์คาดหวังต่อกันเนี่ยครับคือมิตรภาพที่เถียมเท็จผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าสังคมโลกนี้อาจจะเห็นว่าคนยากจนไม่น่าคบแต่พระคัมภีร์กําลังชี้ให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งครับว่ามีคนยากจน2แบบคนยากจนที่โง่เขลากับคนยากจนที่มีสติปัญญา คนยากจนที่มีสีิปัญญานั้นเขาดำเนินชีวิตอยู่ในความซื่อสัตย์อยู่ในความจริงเพราะว่าบางครั้งนั้นพระเจ้าอาจจะให้ใครบางคนที่เป็นคนยากจนเพื่อที่พระองค์มีน้ํมัทไทยที่ดีในการที่จะให้เขาได้ประกาศกับคนยากจนได้ประกาศว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อแม้คนยากจนจะไม่มีเพื่อนแต่พระเจ้าก็จะเป็นเพื่อนของเขา แม้คนยากจนจะดูเหมือนขาดแคลนอาหารแต่พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูผู้ที่สัตย์สื่อและลูกหลานของเขานั้นก็จะได้รับพระพรในชีวิตของผมนั้นก็เห็นคนยากจนมามากเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับคนยากจนคนที่มีปัญหาคนที่มีอุปสรรคคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่เจเนเรชันเดียวครับพอเจเนเรชันที่สองรุ่นที่สองรุ่นที่สามพี่น้องครับ พระเจ้าก็จะคืนให้เขาอย่างอุดมสมบูรณ์ขอพระเจ้าช่วยเราในครับในการที่เราจะเป็นมิตรกับคนสัตว์ื่อแม้ว่าอาจจะไม่มีใครครบเขาแม้แต่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงของเขาเราต้องเป็นเพื่อนกับคนยากจนที่ซื่อสัตว์และเราต้องช่วยคนยากจนที่โง่เขาเพราะว่าเขาต้องการมิตรภาพทั้งคู่ครับอาเมน